หกถึงเจ็ิบอุปาทานโคจกะ36สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อเจหถึง8ปสองกิเลสโคจกะ 37. สภาวะธรรมที่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสโปรดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี9ก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระยอ่อแปสถึง99สปิติทุกขะสสสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัก อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมากร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 ละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสามสิบเกสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมากเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมากเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคัตตปัจจัยมีห้าวาระสี่สิสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปิมัคอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาวาระอรมณปัจจัยมีหกวาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีกลาวาระ สีสอสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารได้วยมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอรมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระสี่สิบสอง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 สภาวะธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่มีวิตกและที่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่มีวิตกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกและที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีวิตก และที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีวิตกและที่ไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกและที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาวาระอรมณปัจจัยมีกลาววาระและถึงปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสวัปัจจัยมีหกวาระและถึง อวิคตตปัจจัยมีฆ่าวาระ43สภาวธรรมที่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม un, ่ใช่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระอรมณะปัจจัยมีฆ่าวาระและถึงปุเรชาตตปัจจัยมีหกวาระอเจวนปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีฆ่าวาระ44 สภาวะธรรมที่มีปีติอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมี๖วาระอรมณะปัจจัยมี๖วาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมี๖วาระอาจเจวะปัจจัยมี6วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี๖วาระ๔๕สภาวะธรรมที่สหรตรด้วยปีติ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่โสโครคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอะระมะณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระอาศัยวณะปัจจัยมีหกวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบหสภาวธรรมที่โสโครคด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่โสหรคตด้วยสุข เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระอาศิวัปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระ 47. สีสภาวธรรมที่สหรรคดูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรรคดูเบขาเกิดขึ้นเพระาะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่สหรูปดูเบขาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สหรูปดูเบิขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรูปดูเบขาและที่ไม่สหรโปดูเบิขาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่สหรโปดูเบิขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่สหรูปดูเบิขาอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรูดูเบขา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 และที่ไม่สหรูคโดเบิขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรูคโดเบิขาและที่ไม่ใช่ไม่สหรูคโดเบิขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอรมณะปัจจัยมีเ้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระอาศัยวัณปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบแปด สภ <ส handle. S 3> าวธรรมที่เป็นกามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรและที่ไม่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลางมวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอรมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึง อัญญมัญญะปัจใจมีหกวาระและถึงปุเรชาตะปัจใจมีสองวาระอาเสนปัจใจมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจใจมี9ก้าวาระ4ี่สาสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรอาศสยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจยอ่อเหตุปัจใจมี9ก้าวาระอารมณปัจใจมีสี่วาระ อธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้วาระห้ะาสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นนรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีสองวาระ are, ละถึง mm วิปากับอัจจัยมีสองวาร ะ, ระ are, ละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่นับเนื่องในือวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับเนื่องในือวัตทุกเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่นับเนื่องในือวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับเนึ่งในือวัตถุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่นับหนึ่งเหนือวัตทุกข์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับหนึ่งเหนือวัตถุและที่ไม่ใช่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุก์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีหวาระอรมณปจจมร ะ, ะ, ะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีหวาระ 52. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัตทุกข อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุออกจากวัตถุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุก์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีหาวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหาวาระ53สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวะธรรมที NO ่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นและที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระ ละถึงวิปากาปจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระห้าสิบสสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า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 วิปากับปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระปัจจ尼ยะหน้เหตุปัจจัยห้าสหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะหน้าเหตุนหนปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะน้เหตุปัจจัย <ressed> ย่อณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอรมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงณปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระละถึงนกรรมปัจจัยมีสองวาระละถึงณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระณชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิปยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสหาชาตาวาระละถึงสัมบยุตตวาระเหมือนประปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจใจห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้โดยเหตุปัจจัย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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้จักร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จักร้องไห้โดยระมณะปัจจัยมีสองวาระย่อห้าสิบเก้ปัจจัยมีสี่วาระรมณะปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีสี่วาระละถึงสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระ นิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปปานิสยปัจใจมีสี่วาระปุเรชาตปัจจัยมีสองวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระอาเจวะณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจใจมีสี่วาระอินทรียะปัจใจมีสี่วาระชานะปัจใจมีสี่วาระมัคคะปัจใจมีสี่วาระ สัมบัยุตตะปั จ, จัยมีสองวาระวิปัยุตจจยะะตะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเจดวาระปัจจนียุทธาระ60สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตรองให้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตรองให้โดยอรมณะปัจจัยอุปาณิสสยปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัย่ยอนเหตุ ป, ปั จ, จัยมีเจดวาระ ณอารมณปัจจัยมีเจดวาระละถึงณจหชาต์ปัจจัยมีหวาระณอัญญมัญญาปัจจัยมีห้าวาระณ น, นิสยปัจจัยมีห้าวาระละถึงณปุเรชาต์ปัจจัยมีหกวาระละถึงณสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระละถึงโนอวิคตาปัจจัยมีสี่วาระ ถึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยาณุโลมแห่งปัญหาวาระในกุสลติกะที่นับไว้แล้วธรรมปัจจ尼ญานุโลมทุกระบฐานจบ ธรรมะปิดอกธรรมปัจจัญญานุโลมทุกกะติกะปทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเหตุทุกกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศล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 เกิดขึ Two, ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอภยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอภยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยากริตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอพยากริตเกิดขึ้นเพราะเหตุถปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระสองถึงสี่จสเหตุกะทุกะเป็นต้นหนึ่งปุสละึกะสาม สภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอว <|so|> ิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระ มาทปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัภยากฤิษอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัภยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัภยากฤิษอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากริเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมพยุติเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลละถึงเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ย่อหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและท th ี่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศล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 ซึ่งไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระอรมณปัจจัยมีก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมี9ก้าวาระกูปนิสยปัจจัยมี9ก้าวาระเ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศล เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยรมณปัจจัยย่อมีกลาววาระรมณัปัจจัยมีกลาวาระอธิปติปัจจัยมีกลาวาระอุปาินสยปัจจัยมีกลาวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยรมณัปปัจจัยมีสามวาระ ยอทุกปัจจัยมีปัจจัยแล้วเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอานันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมานันตระปัจจัยมีเก้าวาระอุปาเสสยปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระนติปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหเหตุเหตุสัมยุญตทุกกะ หกุศละตึกะ 8. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและท right? right? er ี่ไม่วิปยุจจากเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมปยุจจากเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยย่อพึงเพิ่มเป็นก้าวาระอรมณ์ปัจจัยมีก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีก้าวาระอุปนเสสยปัจจัยมีก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ และที่ไม่วิพิจากเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมพิจุตยเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยรรมะปัจจัยย่อพึงเพิ่มเป็นก้าววาระธรรมะปัจจัยมีก้าววาระอธิปติปัจจัยมีกลาวาระอุปานิสยาปัจจัยมีก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่วิพิจักเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยกฤต เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่สัมปยุติเหตุซึ่งเป็นอภิยากฤตโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระย่อเพึงเพิ่มเป็นเก้าวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระอุปาเนสยปัจจัยมีเก้าวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระ วิคตาปัจจัยมีห้าวาระหน่าเหตุเหตุกะทุกะหนึ่งกุศละตุกะเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจจ ย, ย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิคตาปั จ, จัยมีหนึ่งวาระ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระเจ็ถึงสิบสจุลันตระทุกะหนึ 1, ่งกุสลตึกกะสิสภาวะธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพรา ะ, ะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ และถึงอวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มีปัจใจปรุงแต่งซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจใจปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจย่อเหตุปัจใจมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่มีปัจใจปรุงแต่งซึ่งเป็นอภยากฤิ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เป็นเัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสิบเอ็ดอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งและถึงเหมือนกับสัพพัจญะทุกะสิบสองสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นกุศล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 สภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เห็นได้และที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 13. สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เช่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเป็นอภยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่เป็นอัภยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อาทิ ป, ปจจติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบสี่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาะวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นอนุผลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวะธรรมที่เป็นรูปซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป ja ็นรูปซ mhm. ึ่งไม่เป็นอัพยากฤตศเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาทิตติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง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 สภาวธรรมที่เป <t> ็นโลกิยะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลคิยะซึ่งไม่เป็นอัภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นอัพยากฤต อาัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นอภพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสิบหสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลอาัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้และที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาวาระ สภาวธรรมที่จิตบังดวงรู้ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบังดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่จิตบังดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตบังดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหต um ุตุปัจจัยมีกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกล่าวาระ สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นอัพยากฤษตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นอภพยากฤษตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยเนื้กล่าวาระอาธิปติปัจจัยเนี้กล่าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเนื้ากร่าวาระสิบสี่อาสวะทุกะหนึ่งกุศลติภะสิบเจ็สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นกุศล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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นอภิยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกกะมูลกะในมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ 15. สิบห้าอาจวะทุกระหนึ่งบุษละตุกระสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอ า, วงอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตาปัจใจมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นอภิยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระ อธิปฏิปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคัตะปัจจัยมีสองวาระสิบหกอาสวะสัมปยุตตทุกกะหนึ่งกุสลตุกะสิบเก้าสภาวธรรมที่วิปยุติจากอาสวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสจจวะซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจจ ย, ย่อเหตุปั จ, จัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่จมปยุดด้วยอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สจมปยุดด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปิวจากอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่จมปยุดด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นอพยากฤิ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสิบเจอารสะวะสาสะวะทุกะหนึ่งกุศลตึกกะยี่สิบสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะและม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสะวะซึ่งไม่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภ า, าวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลเก si ิดขึ้เนออเนรออาพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นอภิยกฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะและม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอภิยกฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุป yep ัจจ yep. ัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระไม่มีอาสวะอาสวะสัมปยุตตาทุกกะสิเก อาสวะวิปยุตตาสาสวะทุกะหนึ่งกุศลเดืกกะยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะ แต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ <c oughs> ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่วิปิยุจักอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจักอาสวะแต่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอสวะและไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นอัภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจฉาอสวะ